คือสายข้อแคซอยกับสายมองโกลอยคือมองโกลพวกมองโกลพวกทิเบตพวกจีนหรือคนเหนือเราตาชั้นเดียวนะผมเหยียดผิวเหลืองอมน้ําตาลอนะไรนั้นสําหรับข้อแคซอยนึงเขาแบ่งเป็นสองครับข้อแค่ซอยขาวคือที่เป็นฝรั่งมังค่าแล้วข้อแคซอยดําก็คือคนที่อยู่ที่แอฟริกาและนอกนั้นก็ถือเป็นมงกลอยทั้งสิ้นครับ แต่ดเหมือนวิธีแบ่งของนักโบรางคดีจีนนั้นไม่กินกลุ่มไปถึงออสตราลอย ด, ด้วยครับนี่คือจุดอ่อนของนักโบรางคดีจีนเราไม่รู้จะจับออสตราลอยให้เป็นมองโกหรือเป็นข้อแกซอยบีเหมือนผมจะพูดออกมาอิงมีวิชาการแล้วไม่ค่อยสนุกนะทีนี้ผมจะอ่านจากลักษณะสูตรหลักฐานที่จะให้เราเกิดจินตนาการนะครับเกี่ยวกับลักษณะรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับ สำหรับลัคนาสูตรหรือมหาบุริษรลัคนานี้นะฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองท่านเล่าว่าฤาษีบางตนท่องบนมนคือลักษณะของมหาบุรุษนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าลักษณะอันเล อ, เลอเลอนี้ได้ด้วยเหตุบุพกรรมอะไรนะฮะบรรยากาศครั้งกะนอนก่อนหน้าพุทธกาลนะครับก็มีข่าวเล่าลือว่าพระผู้รู้จะเสด็จมาในโลกนี้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 ผมเชื่อว่าเพื่อจะได้ไว้ตรวจสองเมื่อพบบุรุษบุคคลใดเข้าเขาลักษณะเช่นนี้แล้วจะได้ฝากตัวเป็นสิทธิเพื่อจะเรียนรู้เอาสิ่งที่เลิศนั้นเห็นได้ชัดว่าในประสูติหนึ่งเนี่ยเมื่อพรามคนหนึ่งเขามาฟังครูเจ้าแสดงธรรมแล้วก็เริ่มสายมากครับแต่เขายังข้องใจอยู่สองลักษณะเพราะว่าในที่สาธารณะเช่นนั้นเนี่ยไม่สามารถแลเห็นถึงนั้นได้คือลิ้นของโล่งกับอวัยวเพศองคชาติครับ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 <c oughs> ผมจะอ่านข้อความในพระสูตรนะครับลัคนาสูตรเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้มีจินตนาการถึงพระพุทธรูปเพราะว่าพ ร, พระพุทธรูปของทุกๆยุคสมัยนับตั้งแต่อินเดียตราบจนกระทั่งประเทศไทยไม่ว่าสีวิชัยสุขโขทยัยอายุทยาจนลัดนกักรสินนะฮะเราถือประฐานของลัคนาสูตรคือสร้างพุทธุรูปจากมหาบุรุษรลัคนะ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 ถ้าชาติมันดีสีมันแดงเว่าอย่างนั้นชาติเป็นลูกชาตดนะฮที่ใช้วาดรูปชาติดีป้บปายปั้บจะแดงแจ่ดนะครับถ้าฐานมันไม่ตรงองค์มันจะแขงเว่าอย่างนั้นเป็นกรอนมันฮะสําหรับพุทธ ร, รูปนั้นนะฮะลักษณะแรกนะครับเรามาดูคงต้องอดทนฟังแต่ผมคงไม่ต้องอ่านภาษาบาลีนะครเพราะมันจะเสืเวลาเยอะๆมากครับ ผูท้ที่ต้องการศึกษาละเอียดก็เปิดได้ในลัคนาสูต น, นะฮะทีฆานิกายปาติกวักนะฮะเพื่อจะรู้ที่มาแรกท่านมีฝาพระบาทราบสเสมอกันนะครับและฝ่าพระบาทนั้นลายพื้นพระบาทเป็นจักจักผมไม่แน่ใจหมายถึงอะไรแน่นะฮะแต่เชื่อว่านับน่าจะหมายถึงนี้อะไรนะครับวงวงทักษิณานนส้นพระบาทยาว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 มือนที่เขาเรียกเหมือนลำเทียนอะไรแบบนี้นะครับสม่ำเสมอเนี่ยฝ่าพระบาทและฝ่าพหัศก่อนนุ่มฝ่าพระบาทและฝ่าพระหัศมีลายตาข่ายนะฮะมีพระบาทเหมือนสังควมอย่างนี้นะฮะอัฐิข้อบพระบาทภาษาชาวบ้านเรียกว่าตาตุ่มนะครับตั้งลอยอยู่หลังพระบาทเคลื่อนไหวได้คล่องเมื่อทรงดําเนินผิดสามัญชนนะฮะ พระชงเรียวดุดแข้งของเนื้อสากคือน้องท่านไม่ได้ทู่อ้วนจะมั่มไม่ใช่นั้นเราพยายามนิหาภาพพจน์ซึงคิดว่ามีประโยชน์น้อยมากแต่ว่าไหนๆก็หลวมตัวมาฟังแล้วก็เมื่อท่านยืนยตั้งกายตรงนะครับพระหัตถ์ทั้งสองรูปจับถึงพระชานุจับถึงหัวเขา่ามือยาวมากครับมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝกักคุยหะคือองคชาตครับ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 เปลนงประกายแต่บางพวกก็ถือว่านี่แหละคือมองโกลอยละเพราะว่าผิวเหมือนกับทองคาทองคำเหลืองมีพระชวิวันละเอียดนะครับธุรีละ อ, องไม่อาจปิดพราะวรกายเส้นพระโลมานั้นเฉพาะขุมละเส้นขุมหนึ่งกันหนึ่งเส้นเอ่อข้อสำคัญอีประการหนึ่งที่จะเห็นค้าวลักษณะของชาติพันธ์นะครับว่าพระโลมาดำสนิทนะฮะ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 มีพระศลีลกายบริบูรณ์นะครับเหมือนท่อนหน้าแห่งพยาราชรื่อสีผมก็นึกไม่ออกครับคงจะสง่างามมากมีพระปริสดานคือหลังราบเสมอพระวรกายดังบริมนทนแห่งพุ่มใส่นะครับผมก็นึกไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แต่คงหมายถึงงามสง่าสงสร้างไม่ใช่ทุกตันหรือทู่อะไรทั้งนั้นนะครับ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 พระชิวหาอ่อนและยาวสุรเสียงดุดท้มหาพรหมหรือนกกาลวิกอันนี้เป็นวันในคดีนะครับหมายว่าเขาเชื่อเลยว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงของพรหมและเป็นเสียงของนกกาลวิกที่บินอยู่เหนือเมฆอาจจะมีความหมายเป็นอื่นก็ได้ครับตรงนี้สําคัญอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือมีพระเนตรดำสนิทพระเจ้าตาดําไม่ใช่ตาสีน้ําข้าวหรือตาสีน้ำเงนิน ดวงพระเนตรจำสายดุจลูกโคพึ่งคลอดซื่อนะฮะมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงเวียนขวาที่เราเห็นเป็นจุดจริงเป็นจุดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อุณาโลมนะฮะจุดที่ผู้หญิงอินเดียเจมิมนี่เขาเรียกดิหลกเวลาสตรีที่มีสามีแล้วเขาก็เจมิมแล้วก็ลัเอาสีแดงแดงคาด แ, แต่อุณาโลมในพุทธศาสนานี่มีความหมายพิเศษมากครับพรชินราชแต่เดิมไม่มีอุณาโลมนะ ธมารัติการที่สี่ตรงเห็นว่าไม่สมบูรณ์นีออย่ยงไงก็ไม่รู้ครับท่านเลยรับสั่งให้ประดิษฐ์ศิลปินให้ช่างเขาทำแล้วไปติดถ้าเป็นเนเกรงดังศิลปะจะรู้สึกว่ามันไม่สวยปิดแล้วเหมือนเป็นแผลเป็นที่หน้าผากเพราะามันไม่กลมกลืนกนะันนี่มีพระเศียน ง, งามนะครับบริบูรณ์ดุดประดับอุณหิตตรงนี้ก็ต้องตีความอุณหิตคือกรอบหน้าเหมือนที่ สตรีในะสนักหรือตัวละครก็ใส่กรอบหน้านะฮะเรียกอุนหิตอั น, นประสีงงามบริบูรณ์ดุดว่าประดับด้วยอุนหิตผมตีความและเชื่อว่าคงไรประศบราบเรียบโค้งได้สับได้ส่วนเหมือนกับใส่กรอบแต่ว่าพุทธรูปในบางยุคสมัยเขาตีความทื่อๆก็เลยทำกรอบเลยครับท่านคงเคเห็นนะที่ก็ทากรอบตรงนี้เลยกรอบพุ่มมา สามสองลักษณะนี้นะครมีที่มาคือลักขณะสูตรทั้งสามสิบสองลักษณะไม่เอ่ยถึงพระสกเลยไม่ได้บอกพระศกเพราะเหตุผลว่าพระเจ้าต้งกลงกลงดังนั้นจึงไม่เอ่ยถึงเลยทีนี้มีลักษณะอื่นนะฮะที่จะเทียบเคียงได้ก็คือหลายพระสูตรบอกว่าเมื่อพระเจ้าในพระสูรหนึ่งบอกว่าพระเจ้าชาติจตรู้นะคร หลังจากหลงผิดคบพ ร, ระเทวทัตคี่จะปรงมชนพระวิดาหรือปรองพชนไปแล้วแล้วก็พระเทวทัตก็ทํำร้ายพุทธองค์ทําสงให้แบ่งแยกแล้วก็พระชาติศัตรูรู้สึกตัวขึ้นมาว่าคบคนผิดซึ่งเป็นโอกาสดีที่หมอชีวกโกมารพัฒได้ทูลเชิญให้ไปหานักบวชอื่นในคืนเดือนงายขึ้นหนึ่งอาชาติศัดูนั้นไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยนะฮะคิดไปหานักบวชทั้งหกก่อนแต่เมื่อได้โอกาสดี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 กษัตริย์ผู้ปกครองรชนบิดานั้นเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าทรงตรัสเป็นสองทางว่า mm hmm. วันนี้ถ้าอาชาตรูไม่ปรองชีวิตบิดาอย่างน้อยสุดต้องเป็นโสกตะบันและอย่างมากต้องถึงที่สุดทุกต่อหน้าพระพักแต่เนื่องจากปรองชีวิตบิดาเมื่อฟังธรรมและเกิดปีติขึ้นมานึกถึงพ่อนึกถึงพ่ อ, น, พอนึกถึงความชั่วที่ตัอเองทำกับพ่อเกิดปิดกัน้นไม่ให้บรรลุความจริงเฉพาะพระพักนั้นเป็นปสูจน่าสนใจน่าขึ่งมากเลยอย่างนี้น ผมได้แสดงลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็จะพูดไปถึงว่าในในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศในปารเนะี่ยยังมีเผ่าหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือเรียกตัวเองว่าเผ่าศักยะซึ่งเป็นที่มาที่เรารู้กันว่าพระเจ้าเป็นชาวในปาร์เหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าสมัยนั้นไม่มีประเทศในปารที่เมืองอันหนึ่งก็คือพระสูตรนะครับ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 การที่กษัตริย์มาสอนทํหน้าที่แทนพราม์นี่มันรายย้ายยิ่งกว่านั้นอีกดังนั้นพราม์ที่ชื่ออภัตธ tha ธ ก, ก็โกรธแค้นมากครับา ม, ามาหาไปเรียกมาเฝ้าไม่ได้คือมาหาหาแล้วก็พูดท้าทายว่าทําไมทําผิดวรนนาสมอาจาระาผมเพิ่มคําอาจาระนะฮะวันนาวั้ น, น, นเป็นอันหนึ่งนะฮะคือแบ่งชนเป็นเป็นชั้นแต่วรนนาสมอาจาระหมายถึงระเบียบปฏิบัติของคนแต่ละวันณะ ดังนั้นในอินเดียเนี่ยมีการบันทึกของนักปราดกรีกว่าไม่มีทาตซึ่งเราไม่อยากจะเชื่อนที่จริงทาตมันอยู่ในระบบวันนะดังนั้นเราจะไม่พบทาตเลยแต่ว่ามันเป็นทาตทั้งระบบเลยดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจสังคมอินเดียจะดีใจมากว่าดูที่เขาเจริญมากไม่มีทาตที่จริงเป็นทาตเป็นระบบอยู่วันนักที่ต่ำเนี่ยทําหน้าที่เหมือนกับทาตมันเองแต่มาฮัตมาร์ันชีได้อธิบาย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 คนไหนเป็นอาจารย์ที่เป็นพรามเนะี่ยเขาไม่นั่งกินข้าวร่วมต่อกับอานที่เป็นสูตรในโลกปัจจุบันในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความรับรู้ต่อมนุษย์ฐานน้ำดอนของมนุษย์ความสําคัญของชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้อินเดียก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกี่มากน้อยนะครับ ย, งยังหยิบยามถ้าท่านไปอินเดียจะพบว่าตามสถานีรถไฟเต็มไปด้วยกระเบื้องเบื้องดินเห็น<า>ไหมเกลื่อนก็เพราะว่าเขากินทีเดียวเขคว้างเลยเขาไม่ยอมต่อปากกับวันอื่นดังนั้นอาชีพทําไอ ช้วยชาดินดินเผานะฮะง่ายมากแล้วรวยง่ายพรามใช้ทุก ว, วันเราจะพบความแปลกใจมากครับว่าเกลือนในตามวาษานีนะฮะก็กินครั้งเดียวขว้างเลยแล้วคนที่กินต่อเขาต้องต้องได้ถ้วยใหม่นะในพระสูตรที่เรื่องอัมพันทสูตรนี่นะฮะพราหมณ์เขาตอว่าพระเจ้าดังนี้ครับบอกว่าถึงเมื่อตัวเองเป็นกษัตริย์ ทำไมไม่ทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินปกป้องราชอาณาจักรเพราะพวกพราหมณ์นั้นมีสูตรสําเร็จว่าเนื่องจากเขาให้รูปลักษณ์ของรัฐธมในรูปลักษ์ของเท้ามหาครมดัง น, นั้นที่โอทของครมซึ่งเป็นสิ่งที่สูงเป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์พราหมณ์จึงมีหน้าที่สั่งสอนคำภีพระเวศกษัตริย์เกิดแต่พาหาของของครมแขนนั้นมีหน้าที่ฝึกเพลงยุทธและปกป้องดินแดน ส่วนไวิทยะหรือที่เราเรียกว่าแพทย์ไ ม, ไม่ใช่แพทย์รักษาโรคนะวิยานี่เ่น็นคนชั้นกลางนั่นเองพวกพ่อค้าพวกที่มีทเลี้ยงนาชุนก็ได้นะพวกนี้เกิดแต่บั้นเอวของพรหมดังนั้นก็มีหน้าที่ค้าขายส่วนสูตรเกิดแต่เท้าของพรหมสัญลักษณ์คือไม้ขานเลเบอร์ครับต้องใช้แรงงานเท่านั้นทนี้ท่านมาทําผิดวรรณะถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากพระเจ้าทรงตอบโดดต้ที่แปลกแบบมากนะี่ย แต่คำตอบโต้ในภาษาบรีก็ค่อน ข, ข้างไพเ้าะแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็แสบน่าดูสงถามย้อนพรามนั้นว่าพรามเอ๋ยเธอเคยเห็นนางพระมณีตั้งครรภ์บ้างหรือเปล่าพรามนันก็บอกก็หลงกลบันทีก็บอกว่าเคยเห็นท่านซักว่าถ้าเช่นั้นเนี่ยทุกทกคนไม่ได้เกิดจากท่องคลอดของม า, ารดาหรื อ, เ, อเจ็บมากครับกระแทกแล้วเจ็บแสบและเพื่อที่แสดงตอบโต้ต่ อ, ต อ, ตอข้อกล่าวหาของพราม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 พุทธจริกซึ่งเขียนโดยกวีคนท้องถันที่สุดของชาวพุทธคืออัศวโคตรนะฮะจานปุรณากุศลาสายแปลไว้แล้วนะฮะน่าอ่านทีเดียรครับแม้จะเป็นบางส่วนเพราะว่าหลายส่วนหายไปจากโลกนี้เนื่องจากภัยสงครามและเหตุการณ์ตา่างๆอัศวโคตรได้ตั้งต้นบรรพบุรุษของพู้เจ้าไม่ได้ชื่อโอกากา ร, รากชื่ออิกสวากุเมื่อชื่ออิกสวากุก็เป็นบรรพบุรุษอันเดียวกับพระรามแห่งอโุธยาครับยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้นะครับ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 นี่เป็นมติอยงท่านซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะครับแต่ว่าท่านแสดงมติอย่างนั้นแต่เห็นเข้ามากว่าอัศวโคตรกวีคนนั้นก็เริ่มต้นอย่างนี้อิกสวากูนั้นเป็นสายพันธุ์ของโซลาไดนาสตีนะครับเป็นสุริยวงซึ่งต่อมาในวนรรณกรรมของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องนี้นครับกรรษัตริย์สุริยวงนะครับชั้นสูงมากพระรามนั้นชื่อรามจันตราแต่เป็นสุริวง์แล้วเมื่อพระรามไปยกศรชิงศีดานะครับ เท้าชนกอะไรเงก็ซ้ําซ้อนอพุพตวัติตอนที่ยกสอเพื่อให้ได้ยโสธราพิมพาหรือพั ธ, ธากัจจานะชื่อเดิมของพนางชื่อพัท ธ, ธกัจจนาครับแต่ผมจะเล่าเรื่องที่สําคัญนะตอนที่ว่าพระเจ้าโอกากราชทรงหลงภรรยาน้อยเรื่องนี้ก็ไปซ้ํากันเท้าทศรถครับเราทราบกันดีเท้าทศรถซึ่งมีมีบุตร จากมเหสีสี่พระองค์นะครับมีไกเกยีซึ่งฝ่ายเราเรียกไกเกศีนะฮะแล้วก็หลายคนผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่เมื่อได้ตกที่จริงราชสมบัตินั้นชอบทำต้องตกกับทลามซึ่งเป็นราชบุตรคนโตนะครับแต่ว่าด้วยคนุบายของไกเกียีโดยอ้างถึงครั้งหนึ่งที่ในในราชการสงครามที่ตัวเองเมื่อลดล้อรถของสามีของเาะทาทศรดหลวมริมสลักหลุด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 หครับพระราชได้หกคนพระราชาองค์โตให้สืดชื่อปรียานะครับปรียาพระราชบุตรทั้งหมดได้อบายยกออกจากเมืองประชาชนนั้นคร่ำควรวญร้องไห้กันเพราะด้วยความรักอาลายัยเพราะพระราชบุตรองค์โตนั้นทร ง, งศีลทรงศักดิ์มากดังนั้นชาวบ้านก็ห่อข้าวของติดตามมาเรื่อยในพระสูตรเล่า ว, ว่าอบายยกมา สู่ตีนหิมาลัยผมใช้ภาษาชาวบ้านนึครับเชิงภูเขาหิมะวันนะครับซึ่งนี้ถ้าเราไปที่นั่นเราจะพบมีร่องรอยชื่อถ้าเราอ่านวรรณกรรมนะครับไม่ว่าเป็นสุทธนชาดกหรืออะไรเราจะพบว่าจะมีการออกติดตามหาเจ้าหญิงสักองค์หนึ่งจะไปถึงนะที่สะโปกครณีนะครับจำได้ไหมครับก่อนไปถึงภูเขาจะถึงสะโปกครณีก่อนที่นี่นะฮะที่ในปานเส้นทางเก่านะั้นยังมีร่องรอยนั้นอยู่ ตำบลชื่อโปกระนั้นยังมีอยู่ครับแล้วมีมีสะใหญ่มากเรียกเวว่าสาสาเน้ําจืดชื่อโปกระคือบุษบานะครับบุษบาเนี่ยภาษาครั้งอดีตภาษาเวดิกก็แปลว่าดอกบวัวโปกระคือบุษบาเนี่ยผันแปลงกันได้ครับปรับกันได้ซึ่งมีคุยภาพที่ร่มรื่นมากในครั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะต้นมาให้ถุกคนเป็นแสนแสนไร่และเมื่อพระราชบุตรนั้น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 ดังนั้นต่อมานครนั้นยังชื่อกระบินละพัดนะเป็นวัดสดุที่ตั้งของกระบินละดาวบดเนื่องจากพระราชบุตรราชิด้าทั้งสิบพระองค์นั้นนะครับมีความยิงพนงในสายเลือดมากเป็นข้าวเงินดิฟ้านหนึ่งเดินทางมาจากไหนถูกขับไล่มาจากที่ไหนนี่สําคัญมากนะและความยิงในสายเลือดนี้เองนะฮะสืบทอดมาจนถึงพระเองค์ จนกระทั่ง่พระผู้เจ้าตรัสรู้กันพระสมัมมาอาวุ้าแล้ววางระเบียบวินัยของการบวชแล้วนะยังข้อยกเว้นให้พวกศักยะเลยนะเพราะพรงทรงทราบดีถึงนิสัยที่ลั่นวาจาและจะไม่ขืนคำยอมตายดีกว่าเสียงพูดนะฮะดังนั้นเองจะมีข้อยกเว้นนะวินัยสอนั้นเมื่อคนจะมาขอบวชพระองค์ท่านจะให้ทดลองสี่เดือนให้เป็นคนวัดก่อนเมื่อเห็นความพลิกเรียบร้อยมารยาท ด, ดีเคารพสงฆ์ดีเชื่อฟังดีก็จะปรับ ขึ้นมาเป็นนักบวชเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาไม่ได้บวชตี๋ผาบเหมือนทุกวันนี้นะแต่ยกเว้นกฎนี้ยกเว้นเฉพาะพวกศัตกยวงก็ถือว่าถ้าเขาจะบวชแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนใจเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดียวเท้ามาหานามฮนะถึงขนาดเมื่อหลานบุญธรรมหลานตัวขอให้กินอาหารร่วมเพราะคนต่างเป็นคนต่างวรณะกันถึงขนาดปลดมวยผมแล้วผูกคอตายเลยด้วยความถะนงในสายเลือด ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าสู่รายละเอียดเล็กน้อยในช่วงที่ว่าเหตุใดเผ่าศักยะจึงถูกทำลายล้างโคตรเผ่าพันธุ์หมดสิ้นไปจากอินเดียนะฮะซึ่งเนื่องกับกษัตริย์หนุ่ม อ, อ, องหนึ่งซึ่งระอายต่อชาติกำเนิดขอ ง, งองค์ท่านพระจิบุตรพระธิดาของโอกากราสนะฮะโดยความหยิ่งในสายเลือดก็สมสู่กันเองนี่คือคาเล่าของพระเจ้าต่ออัมพัตพรามโดยเว้นระพัชินีเธอ องโตสุดไว้เป็นที่เคารพ บ, บูชาคือพระนางปริยาเข้าใจไหมฮะเว้นไว้องคหนึ่งต่อนั้นก็สมสู่กันเองเอแล้วก็สืบทอดโดยไม่ยอมให้ละคนปนเปื้อนกับชนเผ่าอื่นเลยนะฮะและดังนั้นเองนะครับเมื่อข่าวเรื่องลือไปกลับไปถึงพระเจ้าโอกากับก็ร่าดอีกทีหนึ่งว่าทาั้งทั้งที่พระองค์ท่านก็นยังรักพระราชบุตรพระราชธิดาเป็นอย่างมา ก, ก น, นะะแต่จําเป็นต้องทําตามคําสัญญาที่ให้กับเมียน้อยดังนั้นพระองค์ท่านเลยอุทานาว่า กุมารและกุมารีช่างอาถรรจริงหนอนะฮะอันต่อยคําว่าสักกาะเนี่ยศั ก, กะยะเนี่ยถึงหลุดออกจากปากนี่ทฤษฎีแรกครับว่าเป็นเผ่าศั ก, กะยะด้วยเหตุที่เป็นผู้กล้าหารแต่อีกอันหนึ่งก็คือฐานที่ตั้งกับบิลพัทเป็นดงป่าศา ก, ากดังนั้นสองสองหลักฐานนี้นะที่บอกอันเป็นเหตุให้นักโบรางคดีหรือนักคิดกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า พระพุทเจ้าชาติพันธุ์ของท่านน่าจะเป็นสกิโดปาเทีนครับมีคนเผ่าหนึ่งเรียกตัวเองว่าสกะสกิเทียนฉนพวกนี้เป็นคนอ อ, อยู่ตามแถบชาติเดียวนี้ก็หมายที่ เ, ร, เรียกวัดเตียหรืออัฟกานิสถานตอนบนครับเป็นคนที่รูปร่างงามและชอบทำนาและชอบขี่มา้าข้อน่าสเกตอหนึ่งนะเมื่อสืบสันติวงศ์ของสายพันธุ์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยจงทั้งมาถึงพระเจ้าสุดโทธนะและอมิโตทนะ สักโอทนาะโทโตทนะคนะนะําว่าธน้าโอทนาแปลว่าข้าวครับนั้นชื่อของญาติวงศ์ท่านเนี่ยเนื่องกับข้าวทั้งนั้นเลยครับสุดโตทนะแปลว่าวข้าสวสุดข้าวบริสุทธิ์สุโกธนะข้าวขาวมีโตทนาข้าวที่ไม่ลูปละมารซึ่งน่าคิดและน่าประหลาดมากครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าเล่าให้ท่านกําเนิดท่านให้ฟังว่าเป็นชาวไหนท่านบอกว่าชนบทที่อยู่เชิงผาหินมวัน เป็นทินสมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์หมายความที่นั่นสุขสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมมากคือถ้าขยันเปนนันว่าอยู่รอดนะฮะแต่ยังมีเรื่องที่ผมอยากจะให้เราฟังอีกเล็กน้อยนะฮะก็คือกล่าวถึงพนางปริยานะฮะพนางปริยาซึ่งเป็นพี่สาวคนโตที่สุดต่อมาไม่นานพระองค์ท่านทรงเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคเรื้อนครับ นั้นพี่น้องศักยะอื่นก็จำเป็นต้องนำไปอยู่ป่าโดยขุดรูลงในดินนะฮะแล้วก็ปล่อยพนางไว้แล้วเอาหินปิดกัน้นเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเข้าไปทำลายนางเพื่อการไม่ให้โรคลำบาทไปสู่ประชาชนนะฮะแล้วก็ผลัดเวียนกันมาอาหารมาให้พี่สาวคนโตเป็นช่วงๆอยู่ในดงป่าแห่งหนึ่งใกล้กับนครกบิลพัฒน